มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวเป็น ม, มูลหมวดที่ยายาสีภิกษุจงใจพยายามน้ําอสุจิสีเหมือนน้าท่าและสีเหมือนน้ํามันน้ําอสุจิสีเหมือนน้าท่าและสีเหมือนนมสดน้ําอสุจิสีเหมือนน้าท่าและสีเหมือนนมส้มภิกษุจงใจพยายามน้ําอสุจิสีเหมือนน้าท่าและสีเหมือนเนยใสเคลื่อนต้องอบัตสังฆาพิเศษ ภิกษุจงใจพยายามน้ำอสจิสีเหมือนน้ำท่าและสีเขียวน้ำอสจิสีเหมือนน้ำท่าและสีเหลืองน้ำอสกิสีเหมือนน้ำท่าและสีแดงน้ำอสกิสีเหมือนน้ำท่าและสีเขียวภิกษ <โ frustrating. S 1> ุจงใจพยายามน้ำอสจิสีเหมือนน้ำท่าและสีเหมือนเปรียงเคลื่อนต้องระบัดสังฆาทิเศษ